เจริญพรนท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29เมษายนพุทธศักราช5 5 0เป็นวันที่เรามาวัดมาประพุทธมาปฏิบัติมาบำเพ็ญ ตาเพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางที่ถูกที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันคือไปสู่ความสุข ที่สุดยอดความสุขที่ไม่มีเสื่อมไม่มีหมดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมาเกี่ยวข้องด้วยมีทางเดียวเท่านั้นคือทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำเนินไปแล้วนำเอามา สั่งสอนให้พวกเราได้รู้ได้ปฏิบัติได้เดินตามกันถ้าเราไม่เดินตามทางพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้พบกับสิ่งที่เราต้องการจะพบกันเราก็จะพบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบกันก็คือความทุกข์ต่างๆ ความวุ่นวายความเดือดร้อนความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิทธิที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่แต่เราสามารถทำให้สิ่งต่างๆที่เรารเผชิญอยู่นี้หายไปได้หมดไปได้ถ้าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเรายัางเดินตามทางที่เรา กำลังเดินกันอยู่เราก็ยังจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเดินไปแล้วทางนี้ทางที่ถูกทางที่ดีทางที่ประเสริฐได้สัมผัสแล้วได้พิสูจน์แล้วจนมีความแน่ใจ ว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นเพราะทางอื่นๆพระพุทธเจ้าก็เคยไปมาแล้วทางที่พวกเรากำลังไปกันอยู่ก็เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปมาแล้วทางแห่งการหาเงินหาทองพระพุทธเจ้าก็เคยไปมาแล้วทางแห่งการทางแห่งการหาความสุขทางการมา การมารมต่างๆเช่นความสุขที่ได้จากการเห็นการได้ยินการได้ดมเกลิ่นได้ลิ้นรสได้สัมผัสกับกายนั้นเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้เคยสัมผัสนแล้วและทรงเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่พอเพียงเพราะ ไม่อยู่ติดไปกับใจมีความสุขเพียงในขณะที่ได้สัมผัสเมื่อผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนกับไม่ได้สัมผัสมาก่อนเลยจึงต้องคอยสัมผัสอยู่เรื่อยๆต้องหาความสุขทางการอารมณ์อยู่เรื่อยๆจนกลายเป็น ผู้เสพติดไปต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะถึงจะมีความสุขถ้าเวลาใดไม่ได้เสพก็จะมีความเศร้าหมองมีความวุ่นวายใจมีความว้าเวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้สัมผัสมาแล้ว ทรงเห็นแล้วว่าไม่ใช่ถามนั้นเองจึงได้สละจึงได้เปลี่ยนเข็มทิศแทนที่จะไปสู่การแสวงหาเงินหาทองหาความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หันกลับเข้ามาหาความสุขทางใจจนได้พบกับความสุขสุดยอด เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมคลายอยู่ติดกับใจไปตลอดอนันตการพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนำเอาทางนี้มาสอนพวกเราถ้าพวกเราอยากจะได้พบกับความสุขที่สุดยอดที่ไม่มีการ เสื่อมเสื่อมหายไปเราก็ต้องเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทางนี้เริ่มต้นด้วย <c oughs> ความเห็นที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเห็นนี้มีอยู่สองชนิดด้วยกันความเห็นที่ถูกกับความเห็นที่ผิดเห็นที่ความเห็นที่ถูกก็คือ เห็นเห็นตามความจริงความเห็นที่ผิดก็คือความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความจริงนั่นเองเช่นเราเห็นเห็นสุนัขแล้วเราไปว่าเป็นเป็นแมวอย่างนี้เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นสุนัขต้องรู้ว่าเป็นสุนัขเห็นแมวต้องรู้ว่าเป็นแมวถึงจะเห็นถูก ฉันใดความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นกันก็คือให้เห็นว่ามีนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปบุญเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์บาปเป็นเหตุที่จะทำให้เราตกนรกให้เราเห็นว่าเมื่อตายไปแล้ว เราไม่ศูนย์หมดไปเรายังต้องไปเกิดใหม่เพราะใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ตายคือร่างกายแต่ใจไม่ตายชีวิตของเราประกอบขึ้นด้วยกายและใจกายมาจากดินน้ำลมไฟมาจากอาหารที่เรารับประทาน เมื่อตายไปร่างกายก็คืนสู่ดินน้ำลงไฟใจก็เดินทางต่อไปใจไม่ได้สูญไม่ได้หายไปไหนใจถ้ามีบุญพาไปก็ได้ไปสวรรค์ถ้ามีบาป พ, พาไปก็ไปตกนรก <c oughs> นี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความจริง เพราะความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเกิดจากบาปทําให้จิตใจมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจนี่เรียกว่านารกสวรรค์ก็เกิดจากบุญบุญทำให้ใจมีความเย็นมีความสุขมีความสบาย นรกและสวรรค์นี้อยู่ในใจของเราทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายอยู่และในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่ใจเราก็ขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่เรื่อยๆวันไหนเรามีความสุขเช่นวันนี้เราได้มาทำบุญทำทาน ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มารักษาศีลใจของเราก็มีความสุขวันไหนเราไปมีเรื่องมีราวไปทำผิดศีลไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดตัวเวนีเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวเราก็จะตกนรกไปในขณะนั้น นรกและสวรรค์ในใจของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆขึ้นอยู่กับการกระทาของเราและการกระทาของเราที่เราได้ทำนี้ก็สะสมเป็นบุญเป็นบาปไปด้วยคือไม่ยังไม่หมดไปบาปบุญที่เราทำที่เราได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เป็นเพียงเหมือนกับหนังตัวอย่างหนังจริงยังไม่เกิดยังไม่มาหนังจริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนนั้นจะได้เจอนรกจริงจะจะได้เจอสวรรค์จริงเพราะมันจะเป็นนรกหรือสวรรค์ที่มีอายุที่ยาวนานนั่นเองถ้าเราทำบุญมากๆพอถึง พอถึงเวลาที่เราตายไปแล้วเราได้รับสวยบุญเราก็จะอยู่บนสวรรค์เราก็อยู่ในสวรรค์เป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราต้องรับผลของบาป ท, ที่เราทําไว้เราก็จะต้องตกนรกเป็นเวลาอันยาวนานไม่เหมือนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทุกกระทุกเพียงไม่กี่วัน เราสุขก็สุขไม่กี่วันสลับกันไปอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนกับดูหนังตัวอย่างเป็นเป็นหนังตัวอย่างเท่านั้นเองยังไม่เป็นหนังจริงแต่หนังจริงนี่มีแน่ๆเมื่อตายไปแล้วต้องไปใช่บุญใชบาปในสวนรรค์หรือในนรกอย่างแน่นอนนี่คือความเห็นที่ ถูกต้องที่เราควรที่จะปลูกฝังให้อยู่ในใจของเราถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เรา <c oughs> คิดถูกพูดถูกและทำถูกเมื่อคิดผูดคิดถูกพูดถูกทำถูกผลก็จะเป็นผลดีทำให้ใจเราจเจริญได้ขึ้นสวรรค์ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปในที่สุดถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องอยู่ในใจเราปฏิเสธความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นกันเราไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์เราไม่เชื่อว่าตายไปแล้วเรายังต้องไปใช้บุญใช้กรรมอีกถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่คิด คิดถูกไม่พูดถูกไม่ทำถูกเราจะคิดผิดพูดผิดทำผิดคือจะคิดว่าเมื่อไม่มีผลตามมาแล้วจะทำอะไรก็ได้จะฆ่าใครก็ไม่ไปตกนรกเพราะไม่เชื่อว่ามีนรกจะทำบุญทำความดีอย่างไรก็ไม่มีผลตามมาเช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีสวรรค์ ตายไปแล้วก็จบร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ถานไปก็ไม่มีผู้ที่จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปสวยบุญอกีกถ้าคิดอย่างนี้ก็จะทําอะไรตามความอยากตามความชอบใจซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปชอบในสิ่งที่ไม่ดีคนเราส่วนใหญ่มีกิเลสกิเลส ช, ชอบสิ่งที่ไม่ดี ชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวชอบเล่นชอบใช้เงินแต่ไม่ชอบหาเงินไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบทำงานถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าปล่อยให้ทำไปตามความชอบของกิเลสกิเลสก็จะพาให้เราไปทำผิดศีลทำผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องไปพบกับ เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ต้องแก้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือไปฆ่าผู้อื่นบ้างแล้วก็กลับมาฆ่าตนเองเพราะเวลาที่อยากจะได้อะไรก็ต้องไปทำผิดกฎหมายไปป้นไปจี้ ไปป้นธนาคารไปป้นร้านทองถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมาเห็นเข้าก็จะต้องมีการต่อสู้กันก็ต้องถูกเขายิงตายไปหรือยิงเขาตายไปก่อนแล้วก็ต้องหนีไปเขาก็ต้องตามจับตามฆ่าเราจนในที่สุดเราก็ต้องถูกจับหรือถูกฆ่าไปนั่นเองเพราะเราคิดผิดนั่นเอง คิดไม่ถูกคิดว่าทำอะไรตามความอยากตามความต้องการแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าทำมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ความสุขที่ตนเองต้องการได้ก็ได้เพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟไม่ได้อยู่ไปกับจิตใจตลอดไม่ได้ทำให้เกิดความพอขึ้นมา ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องทำอยู่เรื่อยๆเมื่อทําด้วยวิธีที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ก็จะต้องไปสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ปัญหาต่างๆเมื่อตายไปก็ต้องไปตกนรกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สาคัญเพราะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงอยู่กับการกระทําของเราเหมือนกับเราไม่เชื่อว่าไฟร้อนลองเอามือไปจับดู ลองเอามือไปจับไฟดูไฟมันก็จะเผามือเราอย่างแน่นอนมันไม่ได้บอกว่าถ้าไม่เชื่อว่าจะร้อนแล้วจะไม่ร้อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นของร้อนไปจับมันมันก็ร้อนของเย็นไปจับมันมันก็เย็นชั้นใดบุญก็เป็นเหมือนของเย็นถ้าทำบุญแล้วก็ทำให้ใจเราเย็นมีความสุขบาปก็เป็นเหมือนกับของร้อน ถ้าเราทำบาปแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความร้อนให้กับใจของเราดังนั้นเราจึงต้องพยายามสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นให้อยู่ในใจกับของเราไปนานๆในขณะนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราเชื่อแล้วนำเอาไป คิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมพอเวลาเราจะทําอะไรตามความอยากของกิเลสเราจะได้มีเบรกมีธรรมะคอยยับยั้งไม่ให้ไปทํานั่นเองเช่นอยากจะได้เงินมากๆเงินไม่พอใช้ก็จะไม่ไปยืมเงินของใครเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเป็นหนี้นี้ เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขสู้อย่ามีอย่าไปทําในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินมาเพราะเมื่อมีหนี้แล้วก็จะต้องคอยกังวลหาเงินมาใช้หนี้เขาแล้วถ้าใช้ไม่ได้ก็จะต้องลําบากจะต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารา หรือถูกเขาทุกทํทำร้ายเราได้ถ้าเรามีความอดกลั้นอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรถ้าไม่มีเงินพอก็อย่าไปทำมันอย่าไปเอามาอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยแต่เพราะว่าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเอง พอใจเราเกิดความอยากความต้องการขึ้นมาแล้วต้องดิ้นรนหามาให้ได้ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินเราก็จะลำบากกับการใช้หนี้ถ้าเรากู้หนี้ยืมสินไม่ได้เราไปช่อโกรเราก็จะต้องมีปัญหาตามมาจะต้องถูกเข้าจับ ได้สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วแล้วสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราได้ทำมันจะไม่ได้มาช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจได้แต่การหักห้ามจิตใจการยับยั้งจิตใจไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้เท่านั้น ที่จะช่วยเราได้เพราะเมื่อเราไม่คิดที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่พูดไม่ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราไม่พูดไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับใครนี่คือความจริงใจของเรานั้นไม่ได้ มีความต้องการอะไรเลยเพียงแต่ถูกความหลงถูกกิเลสความโลภความอยากหลอกให้เราไปหลงอยากได้ไปอยากได้สิ่งนั้นไปอยากมีสิ่งนี้เท่านั้นเองมีไปแล้วก็ไม่ได้ทาให้ใจวิเศวิโสขึ้นมาไม่ได้ทำให้ใจหายอยากได้แต่กลับให้แต่กลับเพิ่มความอยาก ให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งทำให้หยุดความอยากได้ยากขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราสามารถหักข้ามจิตใจระ ง, งับความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะเบาลงไปเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราอยู่เฉยๆก็อยู่ได้ไม่ต้องทำอะไรตามความอยากเราก็มีความสุขได้ เพราะเราเพราะการชนะความความยากนี่แหละจะทำให้ใจของเราสงบเมื่อใจเราสงบมันก็จะทำให้เรามีความสุขเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้ากับพระทั้งหลายนั้นจะอยู่ไม่ได้จะอยู่เหมือนกับพวกเราไม่ได้เพราะพวกเราอยู่เฉยๆกันไม่ได้ พวกเราต้องมีนั่นต้องมีนี่ต้องทำนั่นต้องทำนี่ถึงจะมีความสุขแต่ทำไปมากน้อยเพียงไรก็ยังต้องทำอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะพอไม่ได้ทำขึ้นมาก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานะเพราะการทำตามความอยาก ทำตามความต้องการของใจนั้นไม่ได้ทำให้เราได้พบกับความสุขได้พบกับความพอแต่การฝืนความอยากการต่อสู้กับความอยากการชนะความอยากเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราได้พบกับความสุขความอิ่มและความพอดังที่พระพุทธเจ้าและพระ อรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันเพราะท่านมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองท่านเห็นว่าต้องทำความดีต้องคิดดีต้องพูดดีเท่านั้นถึงจะทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ เมื่อมีความเห็นที่ถูกแล้วถูกต้องแล้วก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะไปหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มาหาความสุขทางใจด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างๆที่เราที่ไม่มีความจำเป็นกับการดำรงชีพของเราไป เก็บไว้เท่าที่จำเป็นหรือถ้าจะออกบวชก็ไม่ต้องเก็บอะไรไว้เลยเพราะเวลาบวชแล้วจะมีคนอื่นเขาคอยดูแลให้ในเรื่องความจำเป็นทั้งหลายคือปัจจัยสี่อาหารก็บินทบาทจีวรก็มีคนถวายให้ใส่กุฏิก็มีคนสร้างให้อยู่ยารักษาโรคก็มีคนถวายให้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีสมบัติอะไรอีกมีอะไรก็สละไปได้หมดบริจาคไปได้หมเราจะได้มาสร้างความดีให้มีมากยิ่งขึ้นไปด้วยการรักษาศีลศีล น, นี้ก็เป็นความดีรักษาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะทําให้เราเป็นคนดีมากขึ้นไปเท่านั้น เมื่อเรามีศีลเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยเพราะศีลไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราคนที่รักษาศีลแล้วจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมาไม่เหมือนกับคนที่ไม่รักษาศีลจะมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาตามมาไม่รู้จักจบจากสิน้นนอกจากรักษาศีลเราก็จะได้ <c oughs> ปฏิบัติธรรมนั่น สมาธิทาจิตใจให้สงบเพราะถ้าเราสามารถทำจิตใจให้สงบจากการนั่งสมาธิได้ใจของเราจะมีความสุขมีความเยือกเย็นมีความอิ่มมีความพอมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสียสละบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีล เป็นความสุขที่สูงขึ้นไปที่มีน้ำหนักมากขึ้นไปถ้าเป็นถ้าเป็นธนบัตรก็เป็นใบละ5 0าอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ใบละ20ไม่ใช่ใบละร้อยแต่เป็นใบละห0ร้อยเป็นความสุขมากแต่ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่สูงสุดยังไม่เป็นธนบัตรใบละหนึ่งพัน ถ้าอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่านั้นก็ต้องเจริญธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาหรือการเจริญปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราและของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายึดติดกับร่างกายก็จะมีความทุกข์ถ้ายึดติดกับอะไรก็ตามก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรายึดติดเพราะเวลาสิ่งที่เรายึดติดนั้นต้องจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจขณะที่ยังไม่จากเราไปเราก็ต้องมีแต่ความทุกข์ พวงกังวลว่าจะจากเราไปเมื่อไรก็เป็นความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องจากกันไปสักวันหนึ่งเราก็พร้อมที่จะให้มันจากพร้อมที่จะจากมันไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเป็นตัวเรามันต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่นี่มันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเสื้อผ้าที่เราเอามาใส่มันไม่ได้ใช่มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดก็ต้องทิ้งมันไปฉันใดถ้าเราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็จะไม่ยึดติดเราก็จะปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับมันเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราจะสงบมีความสุขท่ามกลางความความแก่ความเจ็บความตายท่ามกลางการพัดพากจากกัน ใจของเราจะไม่ทุกมกับเรื่องเหล่านี้เลยนี่คือความสุขระดับสูงสุดถ้าเป็นธนบัตรก็เป็นธนบัตรไบลพันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ได้เอามาเป็นสมบัติของตนแล้วแล้วจึงนำมาสอนพวกเราเพราะอยากให้พวกเราได้พบกับความสุขแบบนี้มาก พวกเราถ้าต้องการอยากจะได้เราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อเราจะได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถ้าเราเห็นเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราจะได้คิดดีพูดดีทาดีแล้วเราจะได้พบ กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พบอย่างแน่นอนนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเดินขอให้พวกเราพยายามเดินตามไปเถิดถึงแม้จ ะ, ะยากจะลาบากในเบื้องต้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ถนัดนั่นเองเราถนัดแต่หาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราต้องมานั่งหลับตา ทำจิตใจให้สงบก็เลยรู้สึกว่ายากพอเราต้องมาเสียสละบริจาคเงินทองข้าวของต่างๆเราก็จะรู้สึกว่ายากแต่ขอให้ทําไปเถิดถ้าทําไปแล้วเราจะเห็นผลแล้วเราจะเห็นว่าดีกว่าการที่เราเก็บสิ่งต่างๆไว้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไป ไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสะสมนั้นเป็นความสุขที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่มีความทุกข์เจือปอนอยู่เลยจึงขอให้ท่านจงได้น้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทสรงสอนไปประคุนไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดง